วันนี้ที่นั่งไม่ค่อยมีนะมีทีมนักเรียนขอเข้ามาฟังให้โอากาสกัเด็กๆบ้างที่จริงหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอก ที่จริงหลูงพ่อก็ภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างที่สอนเด็กเริ่มต้นท่านก็สอนให้ทำมานาปนาสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมวัโทนับหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกนะพุโทโธไปนับสองเนี่ยมีกรรมฐานที่เดียวสามตัวเลยคือรู้ลมหายใจนะบริกรรมพุโทโธแล้วก็นับด้วยเหมือนเป็นเชือกสามเส้นมัดใจที่มันสนนะไม่ให้มันสนหายใจเข้าพุทออกโรแล้วก็นับเลขไปด้วยเนะี่ย ถึงช่วงหนึ่งการนับมันก็หายไปไม่ต้องนับใจมันเริ่มสงบแล้วมันก็ลดผ่อนเชือกลงเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเหลือเชือกสองเส้นคืออนาปนาสติกับบริกรรมจะทำมาเรื่อยๆใช้เวลาไม่มากเด็กๆทำง่ายไม่ได้คิดเยอะ ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พุโทโธหายไปเหลือแต่การหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายไปเชือกเส้นสุดท้ายหายไปเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนการหายใจมันเป็นดวงสว่างอยู่ข้างหน้าตรงนี้ถเนี้ นี่ภาวนาไม่เป็นปิดจ้องใส่ที่แสงสว่างนะใจไปออกข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรดูอะไรที่คนเขามองไม่เห็นแล้วก็เที่ยวไปมองเห็นเทวดาเห็นอะไรงนะ้รู้สึกว่าต่อมารู้สึกนะว่ามันไม่มีสาระแก่ยนสารอะไรแล้วที่สำคัญถ้าออกไปเจอผีเนะี่ยจะทำยังไง หลงพ่าเป็นคนกลัวผีเรื่อนได้ดีมาเพราะอาจารย์ผีนี่แหละกลัวผีก็เลยเวลาหายใจนะพอมันสว่างขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างไม่ยอมให้มันเคลื่อนนะกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาทรงความรู้สึกตัวไว้ทีนี้จิตก็เลยรวมลงไปค่อยๆรวม เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะภาวนาอย่างไงก็ทรงอยู่แค่นั้นสงบอยู่งั้นภาวนาต่อไม่ถูกครับถามาได้ยินได้อ่านคำสอนครูบาอาจารย์ท่านบอกพุทโธเสร็จแล้วให้มาพิจารณาร่างกายหลวงพ่อก็เอาใจที่เป็นคนดูแลตั้งมั่น ทรงสมาธิอยู่แทนที่จะตามแสงสว่างไปข้างนอกนะก็ย้อนกลับเข้ามาในร่างกายมาดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยดูที่ผมก่อนกําลังของสมาธิมันแรงนะครับดูลงไปที่ผมเนะี่ยผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปนะเห็นหัวกระโหลก มีพวกเราหลายคนนะภาวนาแล้วเห็นหัวกะโหลกตัวเองแล้วตกใจเลิกภาวนาเลยอันนี้เสียโอกาสมากเลยนี่พอดูหัวกะโหลกลงไปนะหัวกะโหลกขาดไปหัวขาดเหลือแต่ตัวดูลงไปเนื้อหนังหายไปเหลือกระดูกดูกระดูกลงไปกระดูกระเบิดกลายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นก้อนกรวดกระจายตามพื้น ดูลงไปอีกนะก่อนกระดูกเล็กๆนะสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นของแสงแล้วสลายไปหมดนะเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่พอเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอกลับมามีร่างกายนะจิตมันรู้อย่างทองแทเลยว่ากายกับจิตน่ะคุล่านกันมันคือการแยกขันแยกได้ละ สนใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเพราะว่ามันไม่ไหลตามความคิดไปแล้วไม่ตามแสงไปละการตรึกคือการนึกถึงแสงและการตรองคือการที่ใจไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงได้ใจก็มาเป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้รู้แล้วก็รู้ความจริงกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันได้มันคุานกัน เลยแยกขันได้แยกขันได้เราไปต่อไม่เป็นอีกแล้วะภาวนาอยู่นั้นได้แต่สงบได้แต่สบายมีความสุขไปวันวันหนึงหาทางไปต่อไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ตายแล้วะท่านพ่อหลีอายุยังไม่หกสิบเลยมั้งสิ้นไปแล้วคือตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนาแบบ ทุขาปฏิปทานโหดสุดๆเลยประเภทอดกีินอดนอนเลยนะภาวนาเป็นแล้วก็ร่างกายสุดโทมเต็มที่แล้วเป็นโรคกระเพาะเป็ น, นอะไรนะหท่านก็สิ้นเหลวครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคอีสานอยู่ทางเหนือนะในภาคกลางท่านพ่ลี่ลงมาบุกเบิกท่านสิ้นไปหลวงปู่สิมลงมาอยู่ วานอโศกรามอยู่ไม่นานท่านก็นหนีกลับขึ้นไปอยู่เชียงใหม่คงเบื่อหน้าญาติโยมวุ่หวายทำบุญแล้วก็ไม่ค่อยภาวนาอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ไม่ไม่โปรดหรอกนะไม่ชอบหรอกเอาแต่ทำบุญไม่ค่อยภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์เสียเวลาอยู่นานช่วงเนี้ยิญมาเจอหลวงพู ด, ดุล ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงไปต่อได้หลวงพุดลนไม่สอนสมถะให้หลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อทําสมถะมาตั้งแต่เด็กแลนะ้วเวลาเข้าไปหาท่านไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดนะเงียบเงียบหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงท่านสอบประวัติเราเคยภาวนา ย, ยัางไงอะไรงไงไม่ต้องถาม ท่านลืมตาให้มาท่านก็สอนเลยว่ากาปฏิบัตินีไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ได้ยินท่านบอกให้อ่านจิตนะก็มาดูกลายเป็นไปเฝ้ารักษาจิตเอาไว้มันทำได้สบายเลยเพราะาทำสมาธิไ่เยอะเฝ้านิง่งอยู่นานก็อยู่ได้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 มันเหมือนละครโรงหนึ่งนะในใจเราเนี่ยมันแสดงละครให้ดูทั้งวันทั้งคืนเราเป็นแค่คนดูละครนะดูจิตเหมือนดูละครนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่าดูจิตแบบดูคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตอย่ยวนี้มันไม่ได้ดูมันก็โดดลงไปเต้นยกไม้ยกมือแกวงแขนแปว น, นขาเลยวุนว่นวาย หลวงพ่อเห็นแล้วโอ้ขนาดเคยเห็นในโทรทัศน์เวลาอยู่โรงาบานอยู่แล้วเคยเห็นเขาเล่นคอนเสิร์ตกันนักร้องก็โผลวออกมาทีจะกรีดกรีดกรีดชิงกรีดมาเกิดเสียงชิงรีดกรีดนี่นยังเพราะกว่านะคนนี้กรีดันเสียงเปลตเนี่ยไม่รู้เลยว่าเปรดมันร้องแบบนี้ร้ อ, องแบบเปลตกรีดกรีดเราอ่าววอกจะแตก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 พวกยักษ์ย ก, ยกทัพมารบกับพระรามนะมันจัดขบวนทัพอยู่ครึ่งชั่วโมงเนะต้นอยู่งั้นนะ่ะแล้วเมื่อไหร่มึงจะลบกันวะไม่เคยดูถึงมันลบกันเลยนะแค่จัดทัพก็หมดแรงแล้วหลับไปแล้วตอนเด็กๆนะคนแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเดี๋ยวนี้ก็ยศย่อให้สั้นลงเอาใจตลาดเมื่อก่อนถ้าดูโนนะเบื่อห้รู้ว่าเบื่อ มีอยู่คราวนะตอนเล็กๆ เ, เลยมีงานที่สนำหลวงกนะ็ ม, มีโขนพ่อก็อุ้มไปพ่อตัวดิดเดียวไปยืนอยู่ข้างเวทีเลยเห็นลิงอะนะลิงมันแต่งเครื่องทรงมาด้วยนะสวยงามมันมานั่งยุกยิกยุกยิกตอนนั้นเด็กๆไม่รู้ตัวอะไรเลยเอานิ้วไปจี้เอวมัน มันสะดุ้งคันกลับมาเราร้องจากเลยหน้าตาน่ากลัวเนี่ยดูโขนนะเบื่อรู้ว่าเบื่อถ้าภาวนาเป็นนะะสบายเลยแต่ว่าไม่แนะนำนะหาละครหาอะไรดูดูเหมือนดูละครสะดวกกว่าว่าอารมณ์มันจะแหว่ง เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ดูมอนกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาดูจิตเราเหมือนดูละครไม่ต้องไปดูละครจริงนะดูจิตตัวเองเลมันเล่นละครให้ดูทั้งวัน่ะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวกกรดเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายมีบทสารพัดให้ดู มีกระทั้งบทขี้ฉาผู้ชายก็ขี้ฉาผู้ชายคนไหนไม่เคยฉาเลยยกมือไหนซิมีไหมไม่มีนะยุคนี้ผู้ชายจะอ่อนโยนนะผู้ชายจะอ่อนโยนส่วนผู้หญิงแกล่งยุนี้ผู้หญิงย่าหา้าวหานพูดจาถอยอะนะนะยุคนี้ผู้หญิงถอยผู้ชายสุภาพนุ่มนวลน นะกลับข้างกันหมดนะทำไมผู้หญิงต้องถอยเพราะว่าคิดว่าผู้ชายต้องถอยก็เลยอยากจะเป็นผู้ชายเลยต้องถอยเนี่ยเราเฝ้ารู้ทันใจของเราไปนะใจเราทีก็ลายบางทีก็ดีทีก็สุขทีก็ทุกข์เดี๋ยวก็อยากอยากไอ้โน่้นอยากไอ้นะี่สารพัดจะอยากเลยอยากขึ้นมาแล้วบางทีก็มีความสุข ที่ก็มีความทุกข์นะอยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อยากแล้วได้อย่างอยากก็ดีกระดาดีใจเดี๋ยวก็อยากใหม่ อ, อยากเรื่องอื่นต่อไปอีกบางคนอยากรวยใจวันๆคิดจะอยากรวยเห็นบางคนเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอยากมีกของข้าบ้างลืมไปดูนะว่าจริงๆเขาก็ทุกข์นะบางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีบ้านจะอยู่หรือมีอยู่โรงแรม อยู่เมืองไทยไม่ได้ถ้าเราเฝ้าแทนที่เราจะไปดูของข้างนอกนะย้อนกลับเข้ามาดูใจตัวเองเหมือนดูละครเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวพอมันเห็นความจริงนี้นะใจมันจะเป็นกลางมันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงคนที่ภาวนาไม่เป็นเวลามีความสุขนะใจก็ฟูฟ่องไปเถอะพอความสุขหายไปก็แฟบหนุงไป เดี๋ยว ก, ก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงไม่มีความสงบสุขเนี่ยถ้าเราอ่านใจตัวเองให้ชํานาญเดี๋ยวก็สุขสุขก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกทุกก็ชั่วคราวต่อไปเวลามีความสุขใจก็ไม่หลงระเริงรู้ว่ามันของชั่วคราวปื้มอะไรกับมันนักหนาเวลามีความทุกข์ใจก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันของชั่วคราวความผิดหวังความสมหวังอะไรเนี่ย นำความสุขความทุกข์มาให้ก็ไม่ของโชคขาวทั้งหมดอะใจเห็นความจริงตรงนี้ใจก็เข้าสู่ปฐมกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากเลยใจเราเลิกปรุงแต่งตรงนี้ยตรงกับคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นพวกเรานักปฏิบัตินั้นชอบพูดโมนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลพ่อเห็นหน้าแล้วไม่ใช่อ่ะหน้าตาอย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนวุ่นวายจะตายไป เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาใช้ไม่ได้หรอกเวลาเราไปหัดดูหัดอ่านใจตัวเองมากๆนะกรรมฐานไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกคอยอ่านใจตัวเองไปนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่านไปเรื่อยๆนะบางคนนานเจ็ดวันนะก็เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกเนี่ย อยู่ชั่วคราวมีนะไม่ใช่ไม่มีในยุคเหล่านี้แหละมีลูกศิษย์หลวงพูดุลท่านหนึ่งแต่ว่าจะวัดเจ็ดวันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยก็ภาวนาอยู่หลายปีแล้วภาวนาอยู่แถววัดป่าดงคูวัดสาขาอันหนึ่งของหลวงพูดุลเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกิม ก็เพ่อกิมเก่งนะแต่เสียดายอายุหกสิบนิดๆสิน้นเพราะว่าตอนภาวนาเนี่ยโหดมากนะประเภททรมานมากอดอยากลำบากลำบนมากเนะไม่สบายนิดหน่อยตายคนนี้เขาภาวนานแล้ววันหนึ่งเขาเดินออกจากวัดมามองลงไปที่พื้ น, นก็เห็นเลยว่า ให้คนที่รู้จักอ่ะแต่มันตายไปแล้วพวกนี้เป็นพวกสาวใหม่เคยเห็นเขาทำเส้นไหมไหมเขาเอาตัวไหมนะไปใส่ในปีบต้มต้มทั้งเป็นนี่แหละต้มแล้วก็หมุนนะสาวเส้นไหมขึ้นมาส่วนตัวไหมไม่จะอยู่ในปลอกใส่ก็บีปลอกนะ้าใส่ปากกินได้เลยหลวงพ่อเคยไปยืนดูนเขาส่งมาให้ เราก็ดูคืนพอ ก, กินเลยกินเลยถ า, ามกินยังไงเขาก็เอาอันดึงมาดึงฉีกเปลือกมาหรอใส่ปากเคี้ยวเียวมีน้ำเขียวๆไหลออกมาเออเอาเอนะขอดูเฉยๆก็แล้วกั น, นไม่กินเนะนี่ย ห, หนุ่มคนนี้นะมองเห็นไอ้คนที่เคยสาใหม่เนะี่ยมันถูกต้มอยู่นะมันเกิดได้ได้ตา มาจากการนั่งสมาธิมองทะลุลงไปเห็นนรกนะเห็นใจก็สยดสยองเลยบอกโอ้เป็นฆราวาสนะทำมาหากินเนี่ยมันก็เสี่ยงนะมันทำบาปวันนี้ก็ไม่มีอะไรกลับั บ, บ้านไปอีกวันหนึ่งมาวัดใหม่มาภาวนาไปอีกช่วงนั้นนะหลายวันอยู่เดินออกมาจากวัด รายนี้จะได้ดีตอนเดินออกจา ก, กวัดนะเดินออกมาจากวัดเนะี่ยมองลงไปที่แผ่นดินนะพบ ว, ว่าแผ่นดินที่พวกเราอยู่นี่บางนิดเดียวเลยข้างล่างนะั้นเหลวๆเป็นไฟเด็กไม่มีความรู้อะไรในทางวิทยาศาสตร์มองลงไปเห็นอนะเลยรู้สึกว่าเราอยู่บนเปลือกโลกบางๆบางเหมือนยิ่งว่าเปลือกไข่ไก่อีก เปลือกไข่แตกง่ายไหมแตกง่ายเปลือกนี้ก็แตกง่ายมันถึงได้แผ่นวินไหวนะเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเคลื่อนมากระทบกันพอมองลงไปองเงี้ยนะรู้สึกเลยว่าชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตนี้มีแต่ความไม่แน่นอนยืนอยู่บนความไม่แน่นอนพอเห็นอย่างนี้ใจเกิดสลดสังเวชนะประกอบกับที่เห็นแล้วว่าอยู่ เป็นคราวาสก็เสี่ยงกับการตกนรกมากก็เลยออกบวชตอนบวชเนี่ยหลวงพู ด, ดุลท่านเป็นอุปชาเลยมาอยู่กับหลวงพู ด, ดุลแต่มาอยู่วัดสาขานะวัดหลวงพ่อคืนอยู่ใกล้เมืองหน่อยวัดหลวงพ่อกิมอยู่ไกลอยู่ขุนลามเพอวัดหลวงพ่อคืนเป็นวัดหน้าเรือนจําำคนนี้มาอยู่ ภาวนาอยู่เจ็ดวั น, นะ ค, น, วนนะคืนวันที่เจนะ็ดคืนวันที่หกภาวนาไปนะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าเห็นโลกว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างพอาชาาขึ้นมาก็ไปบอกพระพุทธองค์หนึ่งชื่อหลวงตัดสอมบอกหลวงตาผมภาวนาแล้วทําไมมันดับไปหมดเลยมันว่างไปหมดเลย หลวงตาสามบอกจิตมันเข้านิโรธเนี่ยภาษาชาวบ้านนะท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านก็ตั้งศัพทบคือเองจิตมันเข้านิโรธหนุม่มคนนี้ก็สงสัยเข้านิโรธยังไงวะไม่เข้าใจไปถามหลวงปู่ดีกว่าเพราะฉันข้าวเสร็จแล้วเดินตัดทุ่งไปหาหลว ง, นะ ง, งปู่นะหลวงปูดุลกราบหลวงปูหลวงปูครับ จิตผมข้ามนิโรธหลวงปู่ตะวัดเนาะเฮ้ยนิโรงนิโรธอะไรโดนตะวัดนะตะวัดเนี่ยจิตมันแหวกตัวออกเลยสว่างสวยัยเบิกบานออกมาเลยตัวนี้หลวงปู่ดุจาเรียกวจิตยิ้มมันแหวกออกมาเลยทำไมมันแหวกง่ายอย่งนั้นพราภาวนามาเยอะละ จนจิตเท่าถึงความเป็นกลางแล้ที่วันนี้โล่งนิโรธเลยนะนจิตมันเป็นกลางแล้วมันไม่ปรุงแต่งต่อไม่ดิ้นรน แ, แต่ว่ายึดถือความว่างๆอันนี้ไหมยึดถือความไม่ปรุงแต่งในหลวงปนะู่ตบบาทเฮ้ยนีิโรงนิโรธอะไรกันนะความยึดถือมันก็ดับไปเหมือนหลวงพ่อก เ, เคยเป็นนะแต่นนั้นหลวงพ่อนั่งสมาธิ นึกได้ว่าหลวงปู่เทศท่านบอกให้ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเริ่บทําจิตให้เข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างดีกับชั่วอะไร น, นี้ลองมาหมดละเลยมาลองเป็นกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้บ้างนะกําหนดจิตลงมาพระจิตไม่จะเคลื่อนเข้าไปจับตัวผู้รู้นะไม่จับเคลื่อนออกไปจับสิ่งที่ถูกรู้ พอมันจะถึงสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่จับนกะเคลื่อนกลับมาหาผู้รู้นะเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่จับอะไรเลยสุดท้ายว่างลงไปตรงกลางเราก็ลเล่นอยู่อย่างนะี้ทีแรกก็คิดไปอย่างนี้เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงจุดหนึ่งก็พบว่านี่มันสมาธิเนี่ยมันสมถะเราไปกราบเรียดหลวงปู่เทศผมคิดว่ามันเป็นสมถะ ท่านบอกใช่มันเป็นสมนาถะแต่เล่นไปเถอะยุคนี้ไม่มีใครเล่นแล้วผมกลัวติดครับไม่เป็นไรถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านว่าอย่างนี้นะคล้ายๆท่านทานหนุนให้เล่นเราก็เล่นด้วยสนุกไงดับความคิดนึกปรุงแต่งหมดเลยเนีแต่รู้วันเดียวไปเจอหลวงปู่บุญจันโดนท่านตวาดว่าเฮ้ยนี่ บาอาจารย์ยชอบเฮ้ยนะท่านชาว บ, บ้านเฮ้ยนิพพานอะไรมีข้าวมีอบใจก็เลยทิ้งอันนี้ไปไม่เอามันไม่ใช่ทางนะเสียเวลาไม่เล่นแล้วส่วนหลวมนี้ก็ติดความบ้างหลวงปูดด่ดนลกเฮ้ยนิโรงนีโรดอะไรกันก็้มางคนนี้ยพานาเจ็ดวันนะท่านมาบวชเจ็ดวัน บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีบางคนอีกร้อยปีก็ไม่ได้อีกพันปีก็ไม่ได้อย่างยวต้องไปเวียนลงนระกอีกก็มีไม่ใช่บ่ดดีทุกคนนะบางคนเดียวต้องไปตกนรกไปอะไรเยมีไม่ใช่ทุกคนดีแต่คนไหนที่เดินตามรอยที่ครูบาอาจารย์สอนดูจิตตัวเองไปเรื่อยอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยก็จะดีมีพวกที่พลาด <_ t iny> ก็มีอยารายหนึ่งเป็นเนนแต่ว่าจิตเนี่ยวายมากเลยในวัดมีพระประมาณห้าสิบตื่นเช้ามาเนนบอกได้หมดเลยว่าเมื่อคืนเนี้ยพระองค์ไหนทำอะไรบ้างเ น, นรู้หมดเลยรู้ทั้งวัดเลยคนก็คือหาหอนอนกันเนี่โอ้เนนนี่เก่งหลวงปู่ได้ยินนะหลวงปู่ดุเอาห้ามเล่นเล่นไม่ได้ อย่าไปดูจิตคนอื่นให้ดูจิตตัวเองก็ไม่เชื่อหลวงปู่นะหลวงปูเป่เผลอเมื่อไหร่นะก็แอบไปดูคนอื่นเร้่อยๆพอสิ้นหลวงปู่ไปไม่มีใครควบคุมได้นะ้วแกไปอยู่วัดสาขาเห็นลิงพอเห็นลิงนะั้นความรู้สึกของลิงเนี่ยเข้ามาในใจตัวเองครอบงําถูกอารมณ์ของลิงครอบงําลืมว่าตัวเองเป็นเนนนะ นึกว่าตัวเอเป็นลิงขึ้นต้นไม้เลยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะปุ๊บปุป๊ขึ้นยอดไม้พอถึงยอดไม้มองลงมาเจอกไอยกไอยู่ในท้องนานะความรู้สึกของกวายก็เข้ามาในใจตอนนี้คือกไยอยู่บนต้นไม้คิดดูมันก็หล่นเท่านั้นเองสุดท้ายก็แก้ไม่ตกน้ําบ้าพี่ชายเป็นพระอยู่พาไปหาหมอ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 เสียไปเลยก็มีเงี้ยพวกเราเวลา ด, ดูจิตนะอย่าสนใจจิตคนอื่นได้ดูจิตคนอื่นง่ายยะตายไหมไปยากเลยหมาหม้ายังรู้เลยอย่างหมามันรู้นะว่าคนไหนใจดีคนไหนใจร้ายมิจะเข้ามาหาของจิตเนะี่ยมันเจอไอ้คนนี้นะเมียงเมียงมองๆไม่เอาดีกว่าเ่อ บ, บางคนนะมันก็เข้ามาหาอย่างหลวงพ่อนะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังอย่างงี้นะ หมาชอบมาหามาสีสีสีนะบางตัวก็เป็นคิดเลือนด้วยมันงูยังชอบเราเลยงูว่าสวยนะงูเห่าสวยเพื่อันในการที่จะรู้จิตใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะการรู้จิตใจตัวเองถึงยรือาอัศจรรย์แล้วเราจะพบความอัศจรรย์นะเมื่อใจเราล้างกิเลสได้ เรายะพ้นทุกได้ในการรู้ทันใจตัวเองอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันโลภมันโกรธมันหลงก็รู้มันดีใจมันเสียใจนะมันอิจฉาริษยามันอาฆาตมันเซ็งมันเบื่อนะมันงงเนี่ยความรู้สึกนานาชนิดนะรู้ไปเรื่อยๆมันงงก็รู้นะมันงงมันมันสงสัยน มันอยากรู้ไปเนี่ยอ่านใจจิตเหมือนเราดูละครนะมันถึงบทอยากแล้วก็รู้ถึงบทโกรธแล้วก็รู้ถึงบทรักแล้วก็รู้อ่านไปได้ได่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วสเสมอกันหมด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 อันนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อเคยทำแล้วหลวงปู่บอกว่าทำผิดเสียเวลาไปสามเดือนไปทำจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปจิตที่เป็นธรรมชาติก็คือเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดียเด๋ยวริมรสเดี๋ยวรู้สมัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกทางใจให้มันทางานอย่าไปห้ามมันเมื่อมันไปดูแล้วไปเห็นรูป สวยใจมันชอบรู้ว่าชอบไปเห็นศัตรูใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธให้มันกระทบอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแต่กระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นที่ใจมีสติ ต, ตามะระลึกไปนะแค่นี้แหละหลักของมันเงื้นไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นะนักปฏิบัติจะหนีการกระทบอารมณ์ไม่ได้หนีโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีโลกนะ ท่านสอนให้เราเรียนรู้โลกท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกนะอันวิจิตงดงามวิจิตงดงามมันไม่ใช่ว่าแปลว่าสวยอย่างเดียวนะมันหมายถึงมันปรุงแต่งด้วสารพัดเลยให้เธอดูโลกอันวิจิตเนะี่ยวิจิตพิสดารเนะีนะ่ยซึ่งคนโง่คนเข่าเนี่ยพากันติดอยู่แต่ผู้รู้จะไม่ติดผู้รู้มันจะเห็นความจริงเลยทุกอย่างในโลกเนี่ย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 โลกก็คือรูปเสศนติรสโพธพาธรรมารมณ์นั่นเองนะคือรูปรธรรมคือนามธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือสิ่งเหล่านี้องสิ่งที่เรียว่าโลกโลกนั้นคือรูปรธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองนะความจริงของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ไดนะ้นี่เห็นความจริงของโลกนะเสล จ, จิตที่จะอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตละโล ก, กุตละว่าอยู่เหนือโลก ไม่ได้แปลว่าไม่รู้โลกนะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นโลกบิทูรู้โลกอย่างจแจง่มแจ้งจิตก็เลยเข้าสู่โล ก, กุตละอยู่เหนือโลกเพราะว่ารู้จักความจริงของโลกแล้วความจริงของโลกก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ข อ, ของบังคับไม่ได้นะมีแต่ของถูกบีบคั้นได้เฝ้ารู้ความจริงลงไความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็ถูกบีบคั้นให้หายไปนะความสุข จะเกิดหรือไม่เกิดเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสัง่งไม่ได้เป็นไปตามอำนาจนี่คือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะเรียนรู้โลกธรรมะอยู่ที่โลกนะไ ม, ไม่ได้หนีโลกไปไหนอยู่กับโลกนี่แหละเราก็เรียนรู้ไปมีตาหูจมูกลิ้นก่ใจกระทบโลกไปแล้วใจกระเทือนปรุงดีปรุงชั่วปรุงสปุปรุงทุกมีสติตามมาอ่านใจตัวเองเมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไป ถึงจุดหนึ่งใจมันจะขึ้นไปอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตตะละโล ก, กุตตะละไม่ใช่ว่าไม่รู้โลกนะแต่ว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจง้งนะเป็นโลกาบิทูนะี่ยนพวกเราอ่านใจตัวเองนะเหมือนดูละครดูใจเราเล่นละครไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอยู่เหนือโลกได้มีแต่ความสุขนะความทุกข์เข้ามาไม่ถึงหรอกไปกินข้าวไป นี่หมดเลยครับ